ขึ้นไว้มากๆเราเองซึ่งเป็นตัวปัจจัยนั่นแหละจะเป็นผู้เป็นทุกข์ว่าคนนั้นด่าเราคนนั้นว่าเราคนนั้นนินทาเราซึ่งทําให้เราเนี่ยเกิดความทุกข์โกลาหมันเกิดขึ้นที่ไหนก็ให้ดับที่ตรงนั้นอย่างสมมุติว่าเราจะอยู่ในที่ประชุมชนที่ใดที่หนึ่งในที่ประชุมชนนั้นอาจจะมีการถกปัญหาอาจจะมีการด่าทอมีการว่าร้ายซึ่งกันและกันมันก็ดับในที่ประชุมชนนั่นเอง แต่ถ้าเราไม่ยอมดับแล้วไปเก็บเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ในกรชุมชนนั้นมาถึงบ้านมาถึงที่นอนตลอดจนไปไหนติดตัวเราเหมือนอย่างกระนาวอย่างนี้ก็เกิดความทุกข์เนี่ยท่านบอกว่าให้เรารู้จักพิจารณาว่าเมื่อทำทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นที่ไหนมันกระดับที่ตรงนั้นเพียงแต่เราได้พิจารณาถึงสภาพของธรรมที่นี้อยู่เป็นประจําความทุกข์ต่างๆก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยให้เรารู้สภาวะธรรมอย่างนี้ ก็สามารถที่จะวางเฉยในสิ่ ง, งต่างๆได้ชั้นรังคู่เบกขานั้นโดยประกติของพระอระหันต์เนี่ยท่านไม่หวั่นไหวในอารมณ์ทั้งหกที่มากระทบกับอายตนะของท่านแม้ว่าจะได้เกิดพบกับอารมณ์ที่ดีหรือไม่ดีท่านก็ไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระอระหันต์นั้นท่านมีสติสมบูรณ์แล้วรู้แล้วว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดา เกิดขึ้นที่ไหนก็ดับที่ตรงนั้นไม่ใช่เป็นของถาวรเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสุขจิตอย่างเนี้ยเราจะเห็นอะไรก็ตามอย่าไปยึดถือในสิ่งนั้นว่าเป็นของเที่ยงเราจะได้ยินอะไรก็ตามก็อย่าไปยึดถือว่าสิ่งที่เราได้ยินนั้นเป็นของเที่ยงดีหรือไม่ดีก็ตามมันก็ดับไปแล้วคําลินทาคําสันเสริญที่เกิดขึ้นมันก็ดับไปแล้วไม่ใช่มันจะเกิดอยู่ตลอดเวลาเกิดแล้วมันก็ดับไป เราไม่ยึดถืออย่างนี้เราก็ไม่เกิดความทุกข์นี่เป็นวิธีที่เราจะสุกขิดประเภทชรันผู้เบกขาฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสสนเสริญพระีนาศว่าทุกสุขผู้เป็นภระีนาศในพระศาสนานี้เห็นรูปวยตาแล้วไม่ดีใจไม่เสียใจเป็นผู้วางเฉยมีสติสำนึกอยู่ นี่เป็นพุทธดำรัสที่กระตุนกระถี่นาศกหมายถึงว่ากระถีนาศกนั้นเห็นรูปด้วยตาแล้วก็วดีได้ยินเสียงด้วยหูแล้วก็วดีได้กลิ่นด้วยจมูกก็ดีได้ริ้มรสด้วยลิ้นก็ดีได้สมัมผัสโธทภารมด้วยกายก็ดีได้นึกคิดธรรมาร์ด้วยใจก็ดีกระถีนาศกนั้นไม่ดีใจไม่เสียใจความดีใจก็ไม่เกิดความเสียใจก็ไม่เกิด ท่านวางเฉยในอารมณ์เหล่านี้อันนี้แหละคือชรังคู่เบิขาเป็นอุเบกขาที่เป็นไปในอารมณ์ทั้งหกของกถีนาศผู้เป็นพระอระหันต์นี่เป็นอุเบกขาประการที่หนึ่งที่เรียกว่าชรังคู่เบิขาเป็นการวางเฉยในอารมณ์ผมเนื้อเพลงเพียงแค่นี้ท่านทั้งหลายจะจะเห็นธรรมะขึ้นมาว่าการที่เราได้ปฏิบัติ เช่นอย่างพระศีนาศกท่านปฏิบัตินั้นอย่างน้อยก็ช่วยทำให้เรานี่ยเป็นทุกข์น้อยลงสางแย่ถึงเราจะไม่ใช่พระศีนาศกเป็นเพียงปุถุชนธรรมดาเนี่ยแต่เราก็สุขพยายามฝึกจิตแบบนี้ได้เหมือนกันโดยหัดวางเฉยต่อสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินอย่าปล่อยให้จิตเนี่ยวุ่นวายมากมันก็ทาให้เป็นสุขได้เหมือนกัน ถ้าเราไม่วางเฉยไม่รู้จักพิจารณาว่ามันเกิดแล้วก็ดับไปอย่างนี้เราก็เป็นทุกข์นี่เป็นอุเบกขาข้อที่หนึ่งที่แสดงไว้ในสิปธิการนั้นที่เรียกว่าฉชลังอุเบกขาอุเบกขาข้อที่สองคือปรมวิหารุเบกขาะแปรตามก็แปลว่าอุเบกขาเคลื่อนอยู่สาหรับลมตัวอุเบกขาเคลื่อนอยู่สำหรั บ, ร ม, บ, ร, ออ ร, บรมนั้น คำว่าพรหมะหรือคำว่าพรมวิหารธรรมนั้ น, สนแสดงไว้มีอยู่สี่ทำอันเป็นเครื่องอยู่ของจมข้อที่หนึ่งคือเมตาเมตาเมตตานี่คือความปรารถนาดีต่อสัตว์ทั้งหลายกรมวิหารธรรมข้อที่สองคือกรุณากรุณานี้คือความสงสารเช่นสงสารสัตว์ทั้งหลายที่ตกทุกข์ได้ยากมุพิตาคือความลอ ย, ยินดีเมื่อสัตว์ทั้งหลายได้ประสบกับความดี หรือความสุขความเจริญก็ปล่อยยินดีในความสุขความเจริญของสัตว์ตราสจักความริษยาซึ่งกันและกันประการที่สี่อุเบกขาทรงวิหารมีความวางเฉยในสัตว์ทั้งหลายไม่เกิดความดีใจเสียใจในเมื่อได้พบสัตว์ทั้งหลายมีความเป็นกลางต่อความเท็จเดี๋ยวเนี้เลยกว็ธรรมวิหารอุเบกขาเป็นอุเบกขาที่มีอยู่ในทรงมวิหารธรรมก็คือวางเฉยในสัตว์ ไม่ยุ่นวายไปด้วยอํานาจของสัตว์เพราะว่าพระวิหารธรรมทั้งสี่นี้ก็มีสัตว์เป็นอารมณ์มีผู้ อ, อื่นเป็นอารมณ์ทั้นั้นการวางเฉยในสัมผัเนี่ยหมายถึงว่าสัตว์บางอย่างเช่นอย่างเราไปพบสัตว์ที่เป็นทุกข์ตกทุกข์ได้ยากเรามีจิตปริมาคือสงสารต่อผู้ที่เป็นทุกข์ว่าเราเนี่ยจะช่วยสัตเหล่านี้ให้พ้นจากความทุกข์ได้อย่างไร เมื่อเาเห็นแล้วว่าเขาเป็นทุกข์ก็อดสงสารไม่ได้เพราะว่าจิตของผู้ที่มีพรหมีหารธรรมนั้นย่อมวันไหวเมื่อเห็นผู้อื่นเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้จะต้องช่วยเหลือจากบางประเภทหรือความทุกข์บางอย่างเราช่วยเหลือได้แต่ความทุกข์บางอย่างเนี่ยเราช่วยเหลือไม่ได้เวลาเราช่วยใครให้พ้นจากความทุกข์ไม่ได้บางทีก็ทําให้เราเนี่ยเป็นทุกข์เหมือนกัน หรือเพาะอำนาจความสงสารคนอื่นจนกระทั่งเราเองเป็นทุกข์ก็มีอยู่เช่นอย่างบางทาง่านสงสารคนอื่นที่เป็นทุกข์จนกระทั่งร้องห่มร้องไห้ก็มีและถ้าหากว่าช่วยเขาไม่ได้ยิ่งเป็นทุกข์หนักขึ้นไปอีกเสียใจว่าเราเนี่ช่วยเขาไม่ได้ทั้งๆั้งที่เราเนี่ยก็สงสารเขาซึ่เป็นทุกข์ถ้าหากว่าเราเสียใจอย่างนี้จิตก็เศร้าหมองแสดงว่าอากุศลก็เกิดขึ้นแล้ว ท่านท่านที่เราเนี่ยมีความปรุนาต่อสัตว์แต่เราเองต้องเป็นทุกข์ต้องเกิดความหมุนหมองอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ปฏิบัติในอุเบกขาโภมวิหารธรรมเรามีแต่กรุณาคือความสงสารอย่างเดียวแต่ว่าเราไม่มีอุเบกขาคือความวางเฉยเราต้องรู้จักเจริญอุเบกขาด้วยคือความสงสารนั้นถ้าเกิดขึ้นแล้วเราช่วยเหลือไม่ได้เราก็ต้องวางอุเบกขาเสีย การวางอุเบกขาในสัตว์นั้นก็คือปรารบเอากรรมของสัตว์เหล่านั้นมาเป็นอารมณ์ว่าอสัตว์เนี่มีกรรมเป็นของตนเองเขาคงจะสร้างกรรมแต่อดีตมามากจึงต้องได้รับวิบากรรมปัจจุบันอย่างนี้เราได้วางจิตเป็นอุเบกขาในสัตว์อย่างนี้ได้เราก็ไม่เกิดความทุกข์ถึงช่วยเหลือก็ไม่ได้ใจก็ไม่ไม่เศร้าหมองเพราะนึกถึงกรรมที่สัตว์เหล่านั้นได้ทํามา และเรื่องของกรรมนี้ใครๆจะช่วยปลดเรื่องกันไม่ได้ไม่มีใครจะช่วยปลดเรื่องวิบากกรรมของแต่ละบุนคคลนี้ได้เลยตามบุคคลใดทำผู้นั้นก็ต้องเป็นผู้เสวยใครทํากรรมดีคนนั้นก็สเสวยกรรมดีใครทํากรรมชัว่วคนนั้นก็ต้องสเสวยกรรมชัว่วเราจะช่วยปลดเรื่องสัตที่ประกอบกรรมชัว่วให้พ้นจากความทุกข์นั้นนะไม่ได้กรรมนั้นใครทําใครได้ใครสเสวยไม่ใช่เราจะ ไปตรวจเครื่องดิบาสกรรมให้ซึ่งกันและกันเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อตรวจเครื่องไม่ได้อย่างนี้เราก็ต้องแผอุเบกขาตรโมวิหารธรรมไปที่เรียกว่าเจริญธรร ม, มวิหารอุเบกขาซึ่งเป็นอุเบกขาที่มีอยู่ในตงโมวิหารธรรมเพราฉะนั้นอุเบกขาข้อที่สองที่เรียกว่าพมาวิหารอุเบกขานี้จึงหมายถึงความเป็นกลางหรือการวางจิตเป็นกลางในจัตทั้งหลาย เป็นอุเบกขาข้อที่สองอุเบกขาข้อที่สามคือโทษชังคู่เบกขาโทษชังคู่เบกขานี้คืออุเบกขาอันเป็นองค์ตรัสรู้อุเบกขาที่เป็นองค์ตรัสรู้หรืออุเบกขาที่เป็นตัวโทษชงอุเบกขาที่เป็นตัวโทษชงเนี่ยเป็นอุเบกขาชนิดไหนที่ว่าเป็นโทษชังคู่เบกขา พระโคดังคุเบขานี่ท่านอธิบายว่าเพราะว่ามี ต, น, ตนเป็นกลางต่อสหาชาตธรรมคำว่ามีตนเป็นกลางต่อสหาชาตธรรมเนี่ยสหชาติธรรมนั่นแปลว่าธรรมที่เกิดร่วมกันกับตนทำเหลา่าใดที่เกิดร่วมกันกับตนก็ดีเรามีความเป็นกลางต่อสภาพธรรมเช่นนั้นที่เกิดร่วมกันกับตนอย่างนี้เป็นองค์เหตุความตรัสรู้ในอริยสัจธรรม ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าบุคคลยังอุเบกขาองค์รตรารุอันวิเวจริงแล้วอันวิราคาจริงแล้วให้เกิดขึ้นมีขึ้นตามการนี่หมายถึงว่าถ้าหากว่าเราได้มีความเป็นกลางต่อสหาชาติธรรมที่เกิดขึ้นจากวิเว หรือเกิดขึ้นจากวิราคะก็ดีอุเบกขาที่เป็นโพชฌังอุเบกขานี้จกเป็นองค์แห่งความตรัสรู้อริยสัจธรรมของผู้ที่ปฏิบัตินุ่งไปสู่การรู้แจ้งในสัจธรรมเช่นนั้นยังเรียกว่าโพชฌังอุเบกขาอุเบกขาข้อที่ห้าคือวิริยุเบกขาวิริยุเบกขาเนี่หมายถึง อ, อุเบกขา อุเบกขาที่เป็นความเพียรปานกลางก็คือความเพียงที่เกิดขึ้นโดยไม่ตึงเกินไปไม่ย่อห ย, อ ย, อ ย, ย, ย่อนเกินไปมีความเพียงอยู่ในความเพียงนั้นไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปอย่างนี้เรียกว่าวิริยุเบกขาเป็นความขยันประเภทที่ไม่ตึงและเป็นความขยันประเภทที่ไม่หย่อน เป็นความเพียนที่ที่ไม่ยิงไปในฝ่ายตึงและฝ่ายหย่อนเร่างนี้เรียกว่าวิริยุเบกขาู้จักปรับความภาดเพี้ยนนี่ให้เป็นกลางอยู่เสมอ อ, อุเบกขาข้อต่อไปคือสังขารูเบกขาสันขารูเบกขานี้ถ้าแปลาตามกก็คือความวางเฉยในสันขารความวางเฉยในสันขารหรือความวางเฉยในนามรูปขณะที่มีการเจริญวิสสนากรรมฐาน ถ้าหากว่าถึงสังขารุตเตขาญาณดีแล้วโยคะวจนบุคคลผู้ปฏิบัติเช่นนี้ก็จะมีสติมีจิตอยู่กับความเกิดดับของนามรูปนี้แล้วเพ่งเฉยอยู่คือมองดูความเกิดดับของนามรูปหรือของสังขารเนี่ยโดยอาการที่วางเฉยมองเห็นความเกิดดับว่าสังขารเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปวางเฉยในสังขารอย่างนี้ อันนี้เป็นสังขารุเปกขาซึ่งเป็นเรื่องของผู้ที่ได้เจริญวิปัสสาธรรมฐานและก็กำหนดนามรูปในเ็นอารมณ์เห็นนามรูปหรื อ, อสังขารอันนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดดับเกิดดับแล้วก็วางเฉย อ, อยู่อารมณ์ที่เกิดดับอย่างนี้เรียกว่าสังขารุเปกขาเปกขาพ่อที่ ข้อที่หกคือเวทนุเบกขาคำว่าเวทนุเบกขานี่เป็นอุเบกขาเวทนาเช่นอย่างเราได้กระทบ ก, กับอารมณ์ที่เป็นมัชฉาตาอารมณ์คืออารมณ์ที่เป็นปานกลางแต่ว่าเมื่อกระทบ ก, กับอารมณ์เช่นนี้แล้วเราไม่รู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นทุกข์หรือไม่เป็นสุขแต่มีความวางเฉยต่อต่ออารมณ์ที่มากระทบอย่างนี้รีกว่าัเวทนุเบกขา ถบางแาห่งใช้คำว่าอุเบกขาเวทนาซึ่งแปลว่ากาเรเสวยอารมณ์ที่ปานกลางเราเรียกว่าอุเบกขาเวทนาก็มีแต่ในที่นี้ใช้คำว่าเวทนุเบกขาเป็นอุเบกขาประเภทของเวทนาคือกาเอรเสวยอารมณ์นี่เป็นอุเบกขาข้อที่หกอุเบกขาข้อที่เจคือวิปัตตนุเบกขา วิปัสสนุเบขาเนี่ยคืออุเบขาที่เป็นกลางในการพิจารณารูปและนามคล้ายๆกันกับสังขารุปเปขาญาติเพราะมีความบังเฉยในขณะที่พิจารณารูปนามไม่อยู่อย่างนี้เรียกว่าวิาวปัสสนุเบขา อ, อุเบขาประเภทที่แปดคือสตรมัชทุเบขาได้แก่ อ, อุเบกขาที่ที่เป็นกลางในในสัต์ทั้งหลายคล้ายๆกั่งับอุเปขาเวทนาคือเมื่อวิปัสสนุเบกขาอุเบกขาที่เป็นกลางในการพิจารณาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วตตระมัดชัดอุเบกขานี้จึงเกิดขึ้นต่อมาแต่ว่าในตัววิปัสสนุเบกขานั้น ซึ่งทำหน้าที่เป็นกลางพิจารณาถึงนามูกเป็นอารมณ์อยู่เป็นประจำโดยพิจารณาว่าสิ่งใดมีสิ่งใดเป็นพึงละสิ่งนั้นเสียในสังขารุปเปขายานสิ่งใดมีสิ่งใ ด, งดเป็นพึงละสิ่งนั้นเสียปัญหามีว่าคำว่าสิ่งใดมีคืออะไรคำว่าสิ่งใดเป็นเนี่ยคืออะไร สิ่งใดมีสิ่งใดเป็นขึ้ละสิ่งนั้นเสียอันนี้เพราะว่าวิปัสสนุเบกดขานั้นอารมณ์ของวิปัสนาญาณก็คือรูปนามรูปกับนามทั้งสองอย่างนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสนาญาณในรูปและนามนั้นจะต้องมีลักษณะอยู่ชนิดหนึ่งที่เราเรียกกันว่าสามัญลักษณะ คำว่ offering, REY, the the husband, าสิ่งใดมีในที่เนี้ท่านอธ re ิบายว่าสิ่งนั้นคือสามัญลักษณะหรือไตรลักษณ์คำว่าสิ่งใดมีก็คือไตรลักษณ์นั่นเองนามรูปมีอะไรบ้างนามรูปนั้นมีความไม่เที่ยงนามรูปนั้นมีความเป็นทุกนามรูปนั้นมีความเป็นอนัตตาดันั้นเมื่อนามรูปมีความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความเป็นอนัตตาอย่างนี้ เราจะไปยึดถือเอานามรูปนั้นเป็นอัตตาตัวตนได้อย่างไรท่านก็สอนว่าพึงละสิ่งนั้นเสียสิ่งใดมีก็พึงละสิ่งนั้นสิ่งใดเป็นก็พึงละสิ่งนั้นสิ่งใดมีคือนามรูปมีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์มีความเป็นอนัตตาเราก็พิจารณาแล้วเห็นความจริงส่วนนี้ก็ละในนามรูปนั้นเสีย อย่าไปยึดถือว่านามรูปนั้นเป็นของเที่ยงนามรูปนั้นเป็นสุขหรือนามรูปนั้นเป็นอัตต า, าเดี๋ยวนี้เรียกว่าพิจารณาถึงสิ่งใดมีคําว่าสิ่งใดเป็นในที่นี้ก็หมายถึงขันห้าก็านามรูปนั้นเป็นตัวขันห้าเป็นรูปเป็นเดชนาสัญญาสงขารแหลมวิญญาณในเมื่อสิ่งใดมีสิ่งใดเป็นนามรูปนี้มีสามบัญญัติทั้งสามอย่าง เป็นตัวขันซึ่งเป็นกองของทุกข์อย่างนี้ผูท้ที่เห็นเช่นนี้ก็พึงละในนามรูปนั้นเสียหรือละในสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นนั้นเสียก็ทำให้เกิดความสุขขึ้นไม่เกิดความทุกข์อย่างนี้เป็นเรื่องของวิปัสสนุเบขาแต่ว่าตัณรามัชฌิเตเบคาที่เกิดขึ้นต่อจากอันดับของวิปัสุนุเบขานั้น หมายถึงความวางเฉยในสัมพัสัตว์เผื่อวางเฉยในสัมพััตว์เนี่ยตรมัดชัตุเบขานี้เป็นโสพณะเจตสิกเมื่อเจตสิกตรงนี้เกิดขึ้นแล้วจะทําให้ผู้นั้นมีความเป็นกลางในสันตว์ไม่ปลยความลำเอียงในสัมพััตว์ด้วยอํานาจแข่งขัดติยังไดยังหนึง่งเพราะว่าโดยกรกติแล้วผู้ที่ไม่มีตร ม, ตรมัดชัดตุเบขานี้เกิดขึ้น หรือไม่มี ต, ะตระมัดชัดตตเจนสิ่งดวงนี้เกิดขึ้นแล้วบางทีเราก็ไม่มีความเป็นกลางในสัตว์ความเป็นกลางในสัตเนี่ยเช่นเป็นต้นว่าเราอาจจะเกิดความรักเกิดความชังหรือเกิดความหวั่นไหวในสัตว์ด้วยอํานาจแห่งอคติอย่างไรอย่างหนึ่งซึ่งคําว่าอาคตินี้เกิดได้ภายในปุขุชน กาสแสดงอคติไว้มีสี่ประเภทที่ว่ามีฉันทาสติเช่นมีความลำเอียงด้วยอำนาจแห่งความรักหรือความพอใจเมื่อมีความรักความพอใจก็เกิดความลำเอียงขึ้นความลำเอียงนั้นก็ไม่เหมือนกันเหมือนกับพ่อแม่ที่รักลูกไม่เท่ากันพ่อแม่ก็ต้องมีความลำเอียงในลกูกรักลูกคนไหนมากก็อยจะเกื้อกูลลูกคนนั้นมากหน่อย อันนี้ก็เพราะว่าถูกฉันทาคติเนี่ยเข้าครอบนำหรือว่าผู้ที่เป็นเจ้าคนนายคนแต่ว่าไม่มีสตรมัชตตุเกขานี้เกิดขึ้นภายในจิตก็ย่อมจาบมีจิตนี้เกิดอคติต่อผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองของตนผู้บังคับบัญชาก็ขาดความยุติธรรม ขาดความเที่ยงธรรมต่อบุคคลอื่นๆคารกชไทมากด้วยอำนาจสัธารสตินี้ก็ทุ่มเทความถูกความชอบความดีให้แต่คนที่รักมากถ้าหากว่าถูกโพสารสติเข้าครอบงาคือถ้าโกรธหรือเกลียดไทมากก็มักจะให้ร้ายหรือมักจะเบียดเบียนขาดความดูแล ใ, ใจใส่ในคนที่เราเกลียดเนี่ยด้วยอนาจแน่โพสาสติ หรือบางทีมันถูกโมหะคติเข้าครอบงำมีความลุ่มหลงหรือเท่าไม่ถูกตามเข้าครอบงำอย่างนี้อคติก็เกิดเกิดขึ้นกระทําให้เกิดความไม่ยุติธรรมเกิดความไม่เสมอภาพในสรรพสัตว์โดยทั่วไปอย่างนี้ก็ด้วยอํานาจของโมหะคติอํานาจแห่งโมหะคือความลุ่มหลงที่เกิดขึ้นก็ทําให้ขาดความเที่ยงธรรมในบุคคลอื่นข้อที่สี่พยาคติด้วยอํานาจแห่งความกลัว บางทีกรัอิทิพลกลัวภัยอันตรายจะเกิดขึ้นแก่ตนก็ทําให้เกิดเสียความยุติธรรมไปทําให้ไม่มีความเป็นธรรในส่รนต่างๆเนี่ยเพราะเหตุว่าตัดกระมัดทัศตุเปขาไม่เกิดในทางสภาวะปรมมัธยธรรมนั้นท่านได้แสดงถึงสภาวะของเจตสิกดวงนี้ว่าจะเกิดขึ้นกับจิตที่เป็นมหากุตลหรือกับจิตที่เป็นโสพณะกเท่านั้น ถ้าจิตลาวได้เป็นอกุศลเป็นอโศภะแล้วตะระมัชชสุเป ข, ขานี้จะไม่เกิดขึ้นในบุคคลผู้นั้นเนี่ยตามาเคยพูดและเคยปุทนทษากับโยมที่เป็นผู้พิพากษาเคยถามความรู้สึกว่าการวินิจฉัยคดีหรือการตัดสินความอันใดอันหนึ่งของไปนั้นเราถือเอาอะไรเป็นกฎเกณฑ์ในการตัดสินหรือวินิจฉัยคดีต่าง ตลอดจนครูบาอาจารย์ก็ดีพ่อแม่ก็ดีที่เราจะสอบสวนลกูกหรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาว่าใครถูกใครถูกเนี่ยเราใช้จิตดวงไหนที่ไปวินิจฉัยพิจรารณาถึงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เพราะพระพุทธองค์ท่านได้ตรัสไว้ในอภิธรรมอภิโดกว่าตัตระมัชชะตาเจตสิกนั้นเป็นโสพณะเจตสิกจะเกิดขึ้นกับจิตที่เป็นโสพณะเท่านั้น ถ้าหากว่าจิตนี้ไม่เป็นโสพนธจิตแล้วเจตจิดวงนี้จะเกิดร่วบไม่ได้ผู้ที่มีหน้าที่ในการดํารงไว้ซึ่งความรู้จิธรรมจะต้องมีจิตประเภทนี้ถ้าจิตประเภทนี้ไม่เกิดขึ้นแล้วเราก็ห า, วาความรูติธรรมที่ไหนไม่ได้ท่นมั้นเพราะว่าจิตดวงนี้ไม่เกิดจะให้ความเป็นธรรมต่อสัรพสัตว์ได้อย่างไร การใ ห, ให้ความเป็นธรรมต่อผู้อื่นหรือ ส, สรรพสัตว์นั้นจะต้องมีจิตดวงนี้เกิดมีเจตสิกดวงนี้เกิดนั่นแหละเราจึงจะให้ความเป็นธรรมต่อสัตว์เหล่าอื่นโดยไม่ตกไปในฝ่ายฉันทาคติโทษาคติโมหาคติหรือพยาคติแต่จะเป็นผู้ที่ทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมเท่านั้นให้ความเที่ยงธรรมต่อสัตว์เหล่าอื่นเนี่ยบางทีเราก็ตอบไม่ได้ส่วนมากตอบไม่ได้เพราะว่าว่ากันไปตามเนื้อผ้า ความผิดความถูกหลักฐานพยานที่ปรากฏชัดก็ถือว่าเป็นกฎเกณฑ์ในการพิจรารณาซึ่งสิ่งทั้งหลายหเหล่านี้หลักฐานพยานต่างๆบางทีก็ไม่ได้แปรปลอมมาด้วยจิตที่เป็นสตรามชัชฌิปตาอย่างนี้ฉะนั้นก็จึงหาอะไรเป็นกฎเกณฑ์นี่ยยังไม่ได้แต่ในทางสภาวะประมัตธรรมแล้วต้องมีจิต ด, ดุงเนี่ยเกิด ผู้จะทําเรื่องราวนี้จะต้องมีจิตผ่องใสอีกเป็นกุศลบริสุทธิ์จริงๆแล้วก็มีเจตสิกดวงนี้เกิดขึ้นจริงๆไม่มีอคติอันใดเท่าคล้องงำนั่นแหละจึงจะเป็นผู้ที่ควรไว้ซึ่งความยุติธรรมเป็นผู้ควรที่จะทรงความยุติธรมไว้ได้หรือเป็นผู้ที่จะให้ความยุติธรรมต่อผู้อื่นได้โดยสม่ำเสมอกันถ้าหากว่าดวงนี้ไม่เกิดแล้วเราจะให้ความ ม่ำเสมอกันที่เรียกวุติธรรมนั้นนะ่ะไม่ได้เนี่ยสัจธรรมชัตุเปกขาณีคือความวางเฉยในสัตว์ทั้งหลายตัวาวางเฉยในสัตว์ทั้งหลายเนี่ยใกล้ๆ ก, กันกับในอุเบกขากรมวิหารธรรมหรือกรรมวิหารุเบกขาที่ได้อธิบายมาในตอนก่อ น, อนว่าผู้ที่มีจิตประกอบด้วยกรมวิหารธรรมนั้น ถ้าอากว่ามีอุเบกขาประมุขหาธรรมเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีความวางเฉยในสัตว์ไม่เกิดความหวั่นไหวในสัตว์นั้นรู้จักวางตนเป็นกลางต่อสัตว์ทั้งหลายได้การวางตนเป็นกลางต่อสัตว์ทั้งหลายได้ก็ต้องเมื่อปราบรกกรรมของสัตว์ทั้งหลายเป็นอารมณ์เราจะวางความเป็นกลางในสัตว์ท่านั้นก็ต้องปราบรกกรรมในสัตว์ทูานั้นเป็นอารมณ์เงยเช่นอย่างในสมัยที่ เทวทัพถูกแผ่นดินถูกพระพุทธองค์ได้กลับความรู้สึกต่อพระสงฆ์ทั้งหลายว่าเทวทัพทเนี่ยแม้ว่าจะเป็นศัตรูคอยจองล้างจองผานพระพุทธองค์อย่างมาโดยตลอดด้วยวิธีการต่างๆแต่ว่าพระพุทธองค์ไม่หาได้มีจิตคิดประทุสร้ายต่อเทวทัพไม่เพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านเป็นพระอรหันต์ีนาศ มีจิบริสุทธิ์สุดผ่ดองแล้วหน้าที่ของความเป็นศาสตรานั้นย่อมมีอยู่แม้เทวทัพเนี่ยจะประทุสลายต่อพระพุทธองค์ถึงขนาดลอบลงผู้ชนสักกี่ครั้งก็ตามแต่จีตที่จะคิดว่าเทวทัศเนี่ยคือศัตรูของพระพุทธองค์นั้นไม่มีเลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งพระเทวทัพนถูกแผดดินสู่พระพุทธองค์ก็ไม่ใช่ว่าจะดีใจว่าคนชั่วอย่างนี้แผดดินสู่ตายซะก็ดี ไม่ได้มิจิตประชุนรายต่อเทวทัพยังตรัสความรู้สึกอีกว่าพระองค์มีความรู้สึกต่อราหุลซึ่งเป็นราชโอรสอย่างไรต้องมีความรู้สึกต่อเทวทัพอย่างนั้นหมายถ่ายนักเทวทัพเนี่ยเหมือนลูกเหมือนกับที่พระพุทธ อ, องค์ได้มีความรู้สึกต่อราหุลซึ่งเป็นราชโอรสภายหลังได้ออกบวชความรู้สึกต่อราหุลเช่นใดก็มีความรู้สึกต่อเทวทัพเช่นนั้น มีปัญหาว่าทําไมพระสัมมาสัพพุทสกเจ้าเนี่ยจึงไม่ช่วยเหลือเทวทัศ์ปล่อยให้แดินสูกทั้งๆที่พระพุทธองค์ก็รู้อยู่ความจริงแล้วเรื่องของกรรมนั้นจัดหล่าใดประกอบไว้สัตหล่านั้นต้องเป็นผู้สเสมยช่วยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องปล่อยไปตามกรรมว่าถ้าใครต่อพระเทวทัศ์ว่าเทวทัศน์ได้ประกอบกรรมชั่วไว้มาก เทวทัตจะต้องผนโยบบิบาตกรรมชั่วอันนั้นต่อไปโดยลำพังตนเองของพระเทวทัตใครจะกดเปลื้อนนี่กรรมให้ซึ่งกันและกันเนี่ยไม่ได้นอกจากผู้นั้นจะกดเปลื้อนไปตนเองเนยเพราะฉะนั้นจึงวางเฉยปล่อยให้เทวทัตในถูกแิดินสูบช่วยไม่ได้แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ช่วยต้านทานกรรมอันหนักของบุคคลเนี่ยไม่ได้เพราะเทวทัตนั้นทํากรรมหนักเหลือเกิน ทำอนันตรีกรรมทั้งนั้นอนันตรีกรรมที่ร้ายที่สุดก็คือทำสงให้แตกจากกันเนี่ยถือว่าเป็นอนันตรีกรรมอันหนึ่งถ้าสงแตกสามมิตรกันแล้วก็มีกรรมอันหนักด น, นั้นทาน่านยกล่าวว่าผู้ใดก็ตามที่ทำสงให้แตกจากกันผู้นั้นได้ประกอบอนันตรีกรรมขึ้นแล้วเป็นกรรมหนักแม้แต่ผู้ที่ไม่เคยสงเอง อย่างคารวาธรรมดาเนี่ยใครทําให้แตกสามคีต่อกันคนนั้นก็ทำก ร, รําหนักทำกรรมอย่างหนักพระทางจา่าสมาถือเป็นอนามัยกรรมเนี่ยอนารัยกรรมเนี่ยใครชายต้านทานไม่ได้เพราะฉะนั้นเทวทัศจึงต้องถูกเป็นดินสูงไปต่อหน้าพราะพักตร์กระสุนตัวองค์ช่วยไม่ได้แต่ความรู้สึกต่อเทวทัศนั้นคงเหมือน ก, นกันกับความรู้สึกต่อราบุ ไม่ได้เกิดความขีดแค้นโกรธเคืองเทวทัพแต่อย่างใดแต่ปรารบเอากรรมของเทวทัพเนี่ยเป็นที่ตั้งนึกถึงกรรมเป็นอารมณ์ว่าเทวทัพทำกรรมนั้นเทวทัพต้องเสบวิบากกรรมอันนั้นต่อไปซึ่งเป็นกรรมของเทวทัพเองการวางตนเป็นกลางในสัตว์เนจึงต้องเอากรรมของสัตวเหล่านั้นเป็นอารมณ์ว่าโอสัตว์เหล่านี้มีกรรมเป็นของตัวเองก็ต้องวางเฉย ในการหรมูสัตหลาานั้นไม่เกิดความเสียใจไม่เกิดความดีใจในสัตว์เดี๋ยวนีได้วัดตร้าชั ก, กตุเบิดตะกร้ามัดชัุเปกขาซึ่งเป็นอุเบกขาพ่อที่แปอุเปกขาข่อที่เก้าคือชานุเบิดขาชานุเบิดขานี้ถ้าหากว่าจะแปลกันตามแบบแล้ว คำว่าชาลุเบขานี่ยก็เป็นอุเบขาประจำองค์ชานประจำชานก็ได้อุเบขาประจำชานก็คืออุเบขาที่เป็นองค์ของปัญจมชาญองค์ของชานที่ห้าก็มีอุเบขากับเอกสตาที่สององเกิดขึ้นชานุเบขานี้ยโดยสภาวธรรมนั้นคือทำหน้าที่ให้จิตนี้ไม่ตกไปในฝ่ายใดฝ่หนึ่ง ให้จินี้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึง่งหรือใดทำใดทำหนึง่งและอุเบกขานี้จะมีความสบายอย่างยอดเยี่ยมกว่าคำว่าสุขสุขตับเอเตสตานเป็นองค์ฌานที่สี่เป็นองค์ของจกักรุชาติแต่พอถึงฌานมชานแล้วนี่เป็นอุเบกขาตเปกสตาความสุขที่เป็นตัวอุเบกขานั้นจึงเป็นความสุขที่ประมี เป็นความสุขที่ยอดเยี่ยมกว่าสุขที่มีอยู่ในจัตุรัสฐานความสุขในปราณีขึ้นไปก็แปลสภาพเป็นอุเบกขาอย่างนี้ได้ยักชานุเบกขาข้อที่สุดคือปริสุทธุเบกขาคําว่าปริสุทธุเบกขานี่แปลว่าอุเบกขาอุเบกขาที่สุดผ่องก็ได้แปลว่าเป็นเป็นความบริสุทธ ปริสุทธิ์นี่คือความสุดทองเป็นอุเบกขาคือความสุดทองหมายถึงสภาวะของจิตที่หมดจดจากข้าศึกคือกิเลสต่างๆและก็ปลอดโปรงไม่วุ่นวายไปตามอนนานาจของอารมณ์หรืออำ น, นาจของกิเลส